สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบา น, นครับในเช้านี้เราอยู่ในชุดเพซูตอนที่สามร้อยแปดสิบเจ็ดเรื่องฮีกแอนคิมีความหมายว่าสแสวงหามองหาและฆ่าเสียเพราะเจตะของพระเจ้าในวันนี้อยู่ในพระธรรมยอห์นบทที่สิบเอ็ดข้อที่ห้าสิบห้าถึงข้อที่ห้าสิบเจ็ด โปรดฟังพระวอษะของพระเจ้าขณะนั้นใกล้จะถึงเทศกาลปัสกาของพวกยิวแล้วและคนเป็นนั้นมากได้ออกจากหัวเมืองนั้นขึ้นไปยังเยรูซาเล็มก่อนเทศกาลปัสกาเพื่อจะชำระตัวเขาทั้งหลายพากันมองหาพระเยซูและเมื่อเขาทั้งหลายยืนอยู่ในบริเวณพระวิหารเขาก็พูดกันว่าท่านทั้งหลายเห็นอย่างไร พรงจะไม่เสด็จมาในงานเทศกาลนี้หรือฝ่ายพวกมหาปุโรหิตและพวกฟาริสีได้ออกคำสั่งไว้ว่าถ้าผู้ใดรู้ว่าพระองค์อยู่ที่ไหนก็ให้มาบอกพวกเขาเพื่อจะได้ไปจับพระองค์พี่น้องครับคนเป็นอันมากนั้นได้ออกมาจากบ้านเมืองของเขาบางคนอยู่ไกลบางคนต้องใช้เวลาเดินทาง คนเหล่านี้กําลังขึ้นไปนมัสการพระเจ้าในเยรูซาเล็มก่อนเทศกาลปัสกาเทศกาลปัสกานั้นถือว่าเป็นเทศกาลที่ใหญ่ที่สุดนะครับและเป็นเทศกาลที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับหนึ่งะครับในสมอันดับแรกเลยที่คนยิวทุกคนจะต้องขึ้นไปปฏิบัติต้องขึ้นไปรับใช้ต้องขึ้นไปถวายเครื่องบูชาต้องขึ้นไปนมัสการพระเจ้าถึงกรุงเยรูซาเล็ม ในขณะเดียวกันครับก่อนที่จะน้มันการพระเจ้านั้นเขาจะต้องมีพิธีชําระตัวครับพิธีชําระตัวนี้เขาจะต้องเดินนะครับเดินลงไปเดินลงไปโดยที่มีบันไดนะครับบันไดนี้เป็นบันไดที่กว้างมากครับนําไปถึงสระน้ําครับที่เขาจะทําการชําระตัวทําการล้างตัวทําการอาบน้ําเป็นพิธีชําระตัวก่อนที่จะเข้าในบริเวณ เขาวิหารเพื่อเกี่ยต์ทำการถวายบูชาพี่น้องครับหลายสัปดาห์ที่แล้วผมได้มีโอกาสเดินทางไปอบรมเกี่ยวกับเรื่องของเดอ m เมซ i ย h อินเด t e m เ l e ได้พูดถึงเรื่องราวของการชำระตัวครับบันไดที่นำไปสู่สระน้ำที่ชำระตัวนั้นกว้างครับแต่เมื่อชำระตัวแล้วเวลาขึ้น ต้องตยอยขึ้นทีละคนบันไดก็แคบและนี่เป็นเหตุที่ทำให้พระเยซูพูดถึงทางกว้างและทางแคบทางกว้างนั้นคนก็เดินมากครับทางแคบคนก็เดินน้อยเพื่อนครับขณะที่ชาวยิวนั้นเขากำลังเข้าสู่การำํำระตัวแต่มีคนส่วนหนึ่งครับที่มองหาพระเยซูเพื่อที่จะประหารพระองค์เสีย เพื่อทีจะจับพระองค์มาฆ่าขณะที่เข้าสู่ศาสนพิธีความคิดของคนเหล่านั้นกบกลายเป็นความคิดที่จะต้องกำจัดพระเยซูเป็นความคิดที่บาปเป็นความคิดที่มุ่งร้ายเป็นความคิดที่เกิดจากการอิจฉาริษยาเป็นความคิดที่เกิดจากอัคติและมิจฉา ทิตฐิที่น้องขับเป็นไปได้นะครับในวันนี้ที่เรากำลังจะไปที่คึกจักรไปที่โบสถ์แล้วเรากาลังจะเตรียมตัวนักสการพระเจ้าใจอิจฉาของเราก็มีอยู่จิตใจแห่งความผิดความบาปเราก็มีอยู่หลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นท่าทีในใจทัศนคติที่ไม่ถูกต้องอคติที่อยู่ในชีวิตของเราก็มีอยู่แสดงว่า เราไปโบสถ์แต่ตัวครับแต่หัวใจของเราชีวิตของเราพระเจ้าไม่ผ่ติผัยและพระเจ้าไม่โปรดปานอย่างแน่นอนเมื่อเขาทั้งหลายยืนอยู่เขาพากันมองหาพระเยซูเขาถามว่าท่านทั้งหลายคิดเห็นอย่างไรท่องจะไม่เสด็จมาในงานเทศการนี้เขาเซิร์ชพระเยซูเขาซิกพระเยซูครับเขาแสวงหาพระเยซูเหมือนกับที่ซักเทียส นะครับแสวงหาพระเยซูเหมือนกันแต่ท่าทีต่างกันครับในขณะเดียวกันพระเยซูก็ชิกหาซักเคีสเพื่อที่เขาจะได้รับความรอดแต่คนเหล่านี้กลับกันครับเขาแสวงหาพระเยซูเพื่อที่จะทําบาปเพื่อที่จะฆ่าพระเยซูพี่น้องคิดเห็นอย่างไรครับพระเยซูจะเสด็จ มาในเทศกาลนี้หรือเปล่าพี่น้องคิดเห็นอย่างไรครับเวลาที่พี่น้องมาที่ริศจักรเพื่อที่จะนมัสการพระเจ้าแรงจูงใจที่นําให้พี่น้องได้เข้ามาในทิศจักรมาโบสถ์นั้นคืออะไรผมอยากจะถามว่าหลายหลาคนรู้จักพระเยซูรู้จักมากแค่ไหนครับพวกเรารู้จักพระเยซูเราคิดว่าเรารู้จักจริงๆหรือเปล่า ในขณะเดียวกันครับเรามาหาพระเยซูเพื่ออะไรถ้าพี่น้องได้ไปค่ายคิดจักวัฒนาวิทยากรค่ายคือท่านอาจารย์วาระมีชูทนท่านได้นำคลิปวิดีโอเกี่ยวกับเรื่องผู้ชายที่ได้รับแว่นวิเศษและเมื่อเขาสวมแว่นวิเศษนี้เข้าไปเขาเห็นปัญหาของแต่ละคนลอยขึ้นมาเป็นประโยคประโยช เขาเห็นปัญหาของแต่ละคนลอยขึ้นมาเป็นประโยคน์บอกว่าคนนี้มีปัญหาเรื่องครอบครัวคนนี้เป็นปัญหาเรื่องที่ทำงานคนนี้มีปัญหาส่วนตัวแต่ละคนมีปัญหาทั้งสิ้นในเช้าวันนี้ผมอยากจะถามพี่น้องว่าถ้าหากว่าเรามีแว่นิเศษแบบนี้และเราเห็นแต่ละคนแต่ละคนสามารถวิชัยวิเคราะห์ได้ว่าแต่ละคนแต่ละคนนั้นมีจุดมุ่งหมายในการมาโบสเพื่ออะไร ลึกไปกว่านั้นแต่ละคนแต่ละคนนั้นมาเชื่อพระเจ้ามาหาพระเยซูเพื่ออะไรพี่น้องครับเราก็อาจจะได้เห็นความหลากหลายของจุดมุ่งหมายวัตถุประสงค์ก่อนเข้าการเข้ามาหาพระเจ้าของเราแต่ละคนแต่ผมอยากจะบอกกับพี่น้องว่าเป็นเรื่องที่ ส, สำคัญและมีความหมายเป็นอย่างยิ่ง หากเราไม่ได้มาหาพระเยซูเพื่อจะรับการยกโทษบาปการอภัยโทษบาปจากพระเจ้าหากเราไม่ได้มาหาพระเยซูด้วยท่าทีที่เสียใจด้วยท่าทีที่รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนบาปและยอมรับว่าตัวเองนั้นไม่สามารถช่วยตัวเองได้หากไม่มีท่าทีเหล่านั้นในทุกๆสัปดาห์แล้วแล้วก็การมาหาพระเยซูการมาบทของเรานั้นก็เป็นการศูนย์เปล่าครับ เป็นการเสียเวลาเปล่าเพราะว่าพระเจ้าไม่ได้พอพระไทยการนัสการของเราเลยหากว่าการนับการนั้นไม่ได้นำเราไปถึงการสารภาพบาปไม่ได้นำเราที่จะบริสุทธิ์ต่อหน้าพระพักของพระเจ้าไม่ได้นำเราที่เข้าสู่มิติของการเชื่อฟังร้อยเปอร์เซ็นเป็นการเชื่อฟังอย่างเต็มใจชนิดที่สมัครใจ เหมือนกับท่าสมัครที่อยากจะติดตามนายองนี้ตลอดชีวิตขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะพิจารณาถึงแรงจูงใจในการไปโบทแรงจูงใจในการแสวงหาพระเยซูแรงจูงใจในการที่จะเข้ามาเพื่อนำมาสการพระเจ้าในเช้าวันนี้ขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะเห็นแรงจูงใจของเรา และชำระชีวิตของเราให้พ้นจากการอธรรมชำระชีวิตของเราให้พ้นจากความผิดบาปแล้วชีวิตของเราจะสามารถดําเนินไปกับพระเยซูได้ชีวิตของเราก็จะสามารถรักคนอื่นรักพี่น้องด้วยความจริงใจได้ด้วยความบริสุทธิ์ใจได้ขอพระเจ้าเสริมกําลังพี่น้องที่รักทุกท่านอาเมน